ถ้าดูตามหลักแล้วท่านออกไปเยี่ยมบรรดาสาวกเพื่อประทานพรแก่เขาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่เขาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นอ้าวไม่เป็นเช่นนั้น้วเป็นอะไรล่ะท่านออกไปเพื่อเก็บภาษีมากกว่าเก็บภาษี เขาต้องเก็บภาษีานนะเทวะปิยะความเข้าใจของข้าพเจ้าว่อย่างนั้นท่านสมณักทําไมท่านจึงเข้าใจอย่างนั้นท่านมหากรุยุดพักหมู่บ้านแห่งใดแล้วบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดกับท่านก็จะออกตระเวนเก็บทักษิณาทันทีถ้าใครไม่สามารถเสียภาษีครบปีที่สามจะถูกนําตัวไปพบท่านมหากรุและท่านมหากรุก็จะสาปแช่งให้สาวกผู้เคาะร้ายเหล่านั้นประสบภยัยพิบัติต่างๆ เมื่อสาวผู้เคราะร้ายเหล่านั้นถูกสาปแช่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนตกใจกลัวจนตัวสั่น ง, งันงกและรีบตะลีตะลานหาวิธีแก้คำสาปทันทีวิธีแก้คำสาปมีใช่ไหมละ่ะวิธีแก้คำสาปนั้นมีท่านผู้เจริญวิธียังไงอุบาสกวิธีแก้ตามที่บัญญัติไว้ผู้ถูกสาปจะต้องเดินทางไปประกอบบุญตามนครอนัตสิทธิ์ต่างๆเช่น คงคายมนาสารสวดีสินทุโคทาวารีและจะต้องได้ดื่มน้ําจากแม่น้ําเหล่านี้ด้วยเขาจะต้องอาบและดื่มน้ําอันศักดิ์สิทธิ์จากสระอันศักดิ์สิทธิ์เช่นสุริยะปุษกรณีจันทะปุษกรณีอินทะปุษกรณีและจะต้องประกอบพิธีบุญในป่าและทะเลทรายอันศักดิ์สิทธิ์ในนิสสอรัญญาภาทึกอรัญญะ ขันท ก, กะอรัญญะโคชะอรัญญะและจะต้องประดิษฐานลอยท้าไว้ในป่าเหล่านั้นแล้วท่านลาอุบาสกสําหรับข้าพเจ้านั้นก็อย่างที่เล่าให้ท่านฟังแล้วเพราะความจนและความแห้งแล้งของดินฟ้าอากาศข้าพเจ้าจึงไม่มีทักษิณาไปถวายแกมหาครูได้ติดต่อกันสามปีหรือเปล่าติดต่อกันสามปีเลยทีเดียวแล้วยังไงในปีที่สามท่านมหาครูได้ออกเยี่ยม สาวกได้หยุดค้างคืนที่หมู่บ้านเขาพเจ้าถูกนําตัวไปพบท่านและถูกสาบถูกสาบแล้วท่านทํำยังไงต่อไปได้วยความหวาดกลัวต่อมรณ์น้ำไผขาพเจ้าจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านตั้งแต่วันนั้นทิ้งบุตรพัญญาไว้เบื้องหลังเดินทางรอนแรงไปตามนครแม่น้ําสระน้ําและปา่าอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อประกอบบุญแก้คาําสับเขาพเจ้าได้ไปมาเกือบครบทุกแห่งแนละ เหลืออีกแห่งเดียวคือตะโปธานาทีแห่งละครราชคกฤตเท่านน่าสงสารอุบาสกท่านเชื่อจริงๆหรือว่ามหาคุรุของท่านเป็นบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถบรรดาให้ใครเป็นนายก็ได้ เชื่อสิท่านสมณะถ้าไม่เชื่อข้าพเจ้าก็คไม่ต้องระเหรอร่อนจากบ้านเมืองได้รับความลําบากยากเย็นเช่นนี้อาตมาอยากจะถามอิกสักนิดในึ่นะเทวปิยะถามมาได้เลยท่านสมณะสิ่งใดที่ข้าพเจ้ารู้จะบอกให้ท่านทราบที่อาตมาอยากจะถามก็คือว่าที่ท่านมหาคุรุของท่านสาให้คนเป็นสัตว์ก็ได้เป็นหินก็ได้นั้น ท่านได้พบเห็นมาือตาท่านเองหรือเพียงได้ยินคนอื่นเล่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเองเหรอกท่านสมณะได้ยินแต่เขาเล่าลือกันแล้วท่านก็เชื่อถูกแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเข้าจเจ้าที่ไหนมาพูดจริงของท่านดูบาศกคาเล่าเลยของคนย่อมจะมีมูลความจริงอยู่บ้างถ้าไม่มีความจริงเขาก็คงไม่เล่าลือ แต่ท่านเชื่อคําเล่าลือทั้งหมดเป็นความจริงด่ะหมายความว่ายังไงท่านสมณกเรื่องเล่าลือบางอย่างเนี่ยอาจจะถูกปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ข้าพระเจ้าไม่เชื่อจะเป็นความจริงทั้งหมดบางคนผูกเรื่องขึ้นมาแล้วก็บอกคนอื่นคนอื่นได้ยินได้ฟังก็นึกว่าเป็นความจริงก็เอาไปเล่าต่อๆกันไปก็มเมื่อเรื่องเล่าลือบางเรื่องมีมูลความจริงบางเรื่องไม่มีมูลความจริงเช่นนี้ ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องไหนมีมูลเรื่องไหนไม่มีมูลท่านใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินไม่มีข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยจะมีหลักอะไรเป็นเครื่องตัดสินมีซีอุบาศกมีเหรอท่านสมณะท่านสมณะว่ามีหลักตัดสินใช่ไหมถูกแล้วเทวาปิยะมีหลักตัดสินยังไงท่านผู้เจริญ หลักประการหนึ่งในการพิจารณาตัดสินว่าเรื่องในเรื่องหนึ่งจริงหรือไม่จริงก็คือผู้พูดนั่นเองผู้พูดเป็นยังไงถ้าผู้พูดเป็นบัณฑิตมีคุณธรรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรารู้ได้แน่นอนเลยว่าท่านมีนิสัยพูดจริงเรื่องที่ท่านพูดเราอาจเชื่อได้ก่อนว่าจริงถ้าคนพูดเป็นคนพาลปราศจากคุณธรรมมีนิสัยชอบพูดเท็ดเราก็อาจจะอนุมานได้ว่า เรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริงอีกประการหนึ่งถ้าผู้พูดเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นเป็นฝกักเป็นฝ่ายข้างนั้นข้างนี้เราก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นไม่จริงอัตมาจะขอถามท่านว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของมหาคุรุนี้ใครเป็นคนเล่าให้ท่านฟังละ่ะถ้ามีคนเล่ากันหลายคนใครเป็นผู้เล่าให้ท่านฟังบ่อยๆ เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของมหาครูนี้ดูเหมือนจะเล่ากันทั่วไปทุกคนพอเอ่ยขึ้นใครๆก็รู้และยอมรับว่าเป็นความจริงทั้งนั้นแต่ถ้าจะถามว่าใครเล่าบ่อยๆเล่ามากที่สุดข้าพเจ้าก็เห็นแต่คนเก็บภาษีของท่านมหาครูนั่นเองคนเก็บภาษีหรอกเนออใช่แล้วท่านสมณธรรมทุกครั้งที่มาเก็บภาษีถ้าเก็บได้สมปรารถนา เขาก็มักจะพรนาความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมหาครูในทางที่ดีเช่นคําอวยพรว่าอาศิลวาวาทักและเป็นยังไงเพียงคําบวยพรคํานี้คําเดียวของท่านมหาครูอาจจะทําให้ผู้ได้รับประสบโชคลาภภายในสามวันเจ็ดวันแต่ทักเก็บภาษีไม่ได้เขาจะนำเอาความศักดิ์สิทธิ์ในด้านร้ายของท่านมหาครูมาขู่ว่าทานอาจจะสาปแช่งให้เป็นไปต่างๆนานาได้ แล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังอ้างว่าเป็นเรื่องจริงอุบาสกเอ๋ฟังท่านพูดมาเพียงเท่านี้อัตมาก็พอจะรู้ได้แล้วว่าผู้เล่าสมควรจะเชื่อได้หรือไม่เชื่อได้ไหมข้าพเจ้ะอัตมาเชื่อว่าคนเก็บภาษีเหล่านั้นคง ม, มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับภาษีนั่นแน่นอนและเขาคงเป็นคนใกล้ชิดของมหาครุ จึงได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เก็บภาษีเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเชื่อได้ไหมว่าคนเก็บภาษีไม่คนกลางเขาต้องเป็นคนกลางแน่เมื่อเขาเป็นคนกลางสมควรจะเชื่อคําพูดเขาได้ไหมคือตามหลักของท่านก็เชื่อไม่ได้สิท่านสมณะเชื่อไม่ได้ใช่ไหมอุบาสกใช่เชื่อไม่ได้ เมื่อเชื่อไม่ได้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของมหาคุรุก็ควรจะต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนตั้งข้อสงสัยยังไงท่านสมณะตั้งข้อสงสัยว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเอาละเอาละ่ะเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมอาตมาใหญจะถามท่านอีกว่าเรื่องราวต่างๆที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมหาคุรุที่ผู้เก็บภาษีอ้างว่าเกิดขึ้นจริงๆนั้ น, น, นเขาบอกท่านหรือเปล่าว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ เขาบอกหรือเปล่าว <igual> <dia>. ่าเรื ok ่องนั้นเคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านเองหรือในหมู่บ้านใกล้เคียงตามปกติเขาไม่บอกว่าเกิดที่ไหนเมื่อไรถ้าบอกก็มักจะบอกว่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นไกลแสนไกลซึ่งแม้แต่ชื่อเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและท่านทราบไหมว่าทำไมเขาจึงอ้างว่าเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านไกลไกลทไมไม่บอกว่าเคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านเองข้าพระเจ้าก็ไม่ทราบ แต่ว่าเรื่องอาจจะเกิดขึ้นที่นู่นจริงๆไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเลยก็ได้หมายความว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีใครในหมู่บ้านของท่านถูกมหาครุสาบเลยอย่างนั้นเลอเคยถูกสาบเสมอท่านสมณะตามความเป็นจริงแล้วถูกสาบทุกปีถ้าอย่างนั้นก็น่าจะมีคนในหมู่บ้านเคยกลายเป็นหินมาบ้างแต่นี่ไม่มีเลยเพราะคนเก็บภาษีไม่เคยอ้าง กลับไปอ้างหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอุบาสกเลยอัตมาจะบอกให้ว่าทําไมเขาจึงไม่อ้างว่าเรื่องเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของท่านก็เพราะเขารู้ดีว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทําไมเขาไม่อ้างว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงก็เพราะเขาเกรงว่าท่านจะไปสืบถามได้ว่าจริงหรือไม่จริงเขาจึงต้องอ้างหมู่บ้านที่ไกลที่สุดหรือหมู่บ้านที่อาจจะไม่มีอยู่จริงๆเลยก็ได้ท่านจะได้ไปสืบถามดูไม่ได้ไง ถ้าอย่างนั้นอะไรละ่ะเทวเปิยะมหาคุรุก็มมีความศักดิ์สิทธิ์จริงนะสิจริงไหมท่านสวนักถ้าเป็นอย่างที่ว่ามหาคุรุก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงดังที่เขาเล่าลือกันอาตมาไม่มีทางจะทราบได้หรอกอุบาสกว่ามหาคุรุของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ เพราะอาตมาไม่เคยพบเห็นท่านและไม่เคยอยู่ร่วมกับท่านถ้าอาตมาได้พบท่านอาตมาจะพิสูจน์ได้เห็นทันทีว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่อาตมาเพียงแต่พูดตามเหตุผลที่ควรจะเป็นเท่านั้นเป็นหน้าที่ของท่านจะตัดสินใจเอาเองว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่เรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องคิดหนักเสแล้วถ้าทางของท่านยังเครือบแคลงสงสัยในข้อที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้ใช่ไหมละ่ะ ก็ถูกของท่านสมณครข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่จริงๆถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขอซักซ้อมความเข้าใจกับท่านต่อไปท่านก็เห็นประจกักษ์เลยว่ามีคนในหมู่บ้านของท่านเป็นนันมากที่ถูกมหาครุสาบแช่งแต่ก็ไม่มีใครกลายเป็นสัตว์หรือเป็นหินให้ท่านเห็นแม้แต่คนเดียวในเวลาเดียวกันคนในหมู่บ้านไม่น้อยที่ได้รับพรจากมหาครุแม้แต่ตัวท่านเองก็เคยได้รับ แต่ปรากฏว่าไม่มีใครไหมคนในหมู่บ้านของท่านได้ประสบโชคลาภอันมหาศาลท่านตาเห็นบ้างไม่มีเลยท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าเองเคยได้รับพรจากท่านแต่ก็ยังยากจนเข็นใจอยู่ตามเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าแม้ความศักดิ์สิทธิ์ในด้านดีของท่านมหาคูรุก็ไม่มีประจักษ์เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์ด้านสาบแช่ง น, นั่นแหละ อุบาทกท่านเป็นอะไรไปเอ๋พอสมาสิท่านเป็นอะไรไปเปทวปิยะพระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรอ้าวแล้วท่านน้อยทำไมเขาพรเจ้าเพียงแต่น้อยใจเสียใจเท่านั้นเองเสียใจน้อยใจเรื่องอะไรเสียใจ น้อยใจที่ตัวเองตกอยู่ในปักแห่งความโง่เขลามาเป็นเวลานานแสนนานทำให้ข้าพเจ้าไม่คิดถึงเหตุผลง่ายๆอย่างที่ท่านแสดงให้ฟังถ้าข้าพเจ้าลองคิดและสอบสวนดูเรื่างที่ท่านนะข้าพเจ้าก็ไม่ต้องประสบกับความระกรรมลําบากถึงเพียงนี้ท่านผู้เจริญท่านเป็นดวกระพีบนําแสงสว่างมาให้แกียชีวิตของข้าพเจ้าอย่างแท้ติ ท่านเป็นผู้ที่เคลียร์ธุลีออกจากดวงใจของข้าพเจ้าทำให้มองเห็นเหตุผลดีชั่วเป็นครั้งแรกในชีวิตข้าพเจ้าขอถือท่านเป็นสมณะที่พึ่งตลอดชีวิตดูก่อนอุบาสกถ้าท่านได้รับแสงสว่างคือดวงปัญญาขออย่าได้เข้าใจว่าได้จากอาตมาอาตมาเป็นแต่เพียงผู้รับเอาแสงสว่างนี้ มาจากองค์สมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของอาตมาพระองค์เป็นศาสดาองค์แรกที่ทรงนำแสงสว่างอันแท้จริงมาสู่ชมพูทวีปขับไล่อวิชชาโมหะและมิจฉาทิฐิออกไปจากจิตของมวลสัตว์ขอเชิญท่านน้อมจิตระลึกถึงพระองค์และยึดเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเถิด การตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาคือพัฒนาใจเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและเทศนาสั่งสอนให้มั่นคงในสมาทิทิและสัมมาปฏิบัติจนพระทิศบ่ายพลอยจนจะรับแนวป่าท่านผู้เจริญคือพระเจ้าจขอลาพอกันทีกับการเดินทางอันยาวนานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจมุ่งหน้ากลับบ้านไม่ทราบบุรพันยาจะเป็นตายร้ายดีประการใดบางทีเขาอาจจะอดตายแล้วก็ได้ต่อไปแนอนาคตถ้าท่านมีเวลาก็ข อ, อนิมนต์ไปโปรดจักผู้งกเขาทังแควนกลิ่งขับพักถ้ามีโอกาสอาตมาจะไปว่าตอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าท่านเดินทางมาหลายบ้านหลายเมือง เคยผ่านเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําบ้างหรือไม่เคยผ่านมาภ้างท่านผู้เจริญมีละครนับเป็นสิบสิ บ, สบตั้งอยู่ริมฝั่งน้ําอัตมาหมายถึงนครที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอันกว้างใหญ่แม่น้ําที่มีฝั่งสูงมีเทวาลัยมากมายตั้งอยู่บนตนิ่งจากตลิ่งลงไปถึงชายน้ํามีบันไดเป็นขั้นๆยาวไปตามลําน้ําและดูสวยงามมีคนทุกเพศทุกวัยอาบน้ําในแม่น้ํา มีนักบวชนั่งสวดมนต์ภาวนาตามขั้นบันไดหินโอ้ท่านนั้นก็เห็นจะเป็น น, ค ร, รนครพาราณสีแล้วหรนครพาราณสีถูกแล้วเป็นนครหลวงของแคว้นกาสีพาราณสีมีลักษณะอย่างที่ท่านเล่ามาทุกอย่างข้าพเจ้ายังเคยไปอาบน้นําในแม่น้ํำคงคาหน้าเมืองพาราณสีเลยท่านถามทําไมท่านผู้เจิะไม่มีอะไรหรอกอุบาสกย่างนั้น มันจขาด เกี่ยวกับนครพาราณสีทำให้ตื่นเต้ น, ตนสนใจก่อนนานี้เข้าใจว่านาครที่ปรากฏเป็นนิมิตในดวงใจเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้ น, น, น, นแต่ตอนนี้เห็นว่าไม่ใช่ภาพมายาซะแล้วถ้าเป็นภาพมายาจริ ง, งก็ไม่น่าจะมีลักษณะตรงกับนครพาราสรนารารา ส, นาาาสีแต่นี่ตรงกันทุกอย่างและถ้าเป็นความจริง ดีลาวดีก็น่าจะมีอยู่จริงแต่จะเป็นไปได้ยังไงล่ะนี่เมื่อดีลาวดีตายจากโลกนี้ไปสิบกว่าปีแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเธอได้กำเนิดเกิดใหม่อีกในปราสาทหลังนั้น คูเหนือไปเรื่อยๆโดยไม่รีบร้อนค่ำไหนก็นอนพักค้างคืนที่นั่นกลางคืนบำเพ็เพียรทางจิตกลางวันสนทนาแทศสนากับผู้ที่มาหาหลังจากเวลาอันยาวนานผ่านไปก็มาถึงหมู่บ้านที่มีชาวบ้านเป็นพุทธศาสนิกมีอารามอันน่ารื่นรมในอารามมีที่สูชื่อนมิมณะอยู่อาศัยก่อนนั่นิน ม, มะะ เคยอยู่ในความปกครองมาก่อนครั้งอยู่พระเวรุวันารามเออท่านผู้เจริญหลังจากท่านออกพระเวรุวันารามมาไม่นานเหตุการณ์อย่างนึง น, นับว่าร้ายแรงมากก็เกิดขึ้นในพระนครราชคกึกมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นล่ะท่านผู้มีอายุเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากทีเดียว เรื่องแค่นี้ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในวงอันบริสุทธิ์สะอาดแห่งพระพุทธศาสนาดิบีพลาเธอท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าใคร่จะฟังเต็มทนแล้วท่านคงยังจําได้หลังจากที่ท่านจากมาพระเทวทัตก็เข้าบริหารพระอารามแทนท่านข้าพเจ้าจําได้แล้วยังไงหลังจากพระเทวทัตเข้าบริหารอารามแทนท่านแล้วไม่มีใครทราบว่าเพาะเหตุใด ท่านพระเทวทัตจึงกำศรักคาภาษาตะของเจ้าชายอาชาติโตไว้ได้อย่างมั่นคงบางคนเราวะพระเทวทัตทรมานองค์มงกุตราชกุมารด้วยอิทธิปฏิหารอันเกิดแต่โลกิย์ฌานของท่านทําไมจะได้ถูกกล่าวหาอย่างนั้นจากคนที่ล่าวะวันหนึ่งพระเทวทัตได้ในระมิตรตนเป็นกุมาร น, น้อย มีอสสรพิษพันเป็นกำไลที่ข้อมือและที่ข้อเท้าทั้งสองตัวหนึ่งพันเป็นสร้อยคอตัวหนึ่งทำเป็นเครื่องกวาดับฤิษะอีกตัวหนึ่งทำเป็นผ้าถืเหรียงบากระลลงมาจากอากาศนั่งลงบนท้กล่าวของอาจาตย์สก ร, ราชกุมารเมื่อพระราชกุมารตกใจกลัวและตับถามจึงกลับเพศเป็นพระเทวทัตาตามเดิม ยังความศรัทธาเรื่อมใสอันแรงกล้าให้แกเจ้าชายอาชาสกรูเป็นอย่างมากท่านผู้เจริญขณะที่พระเทวทัพกำลังเมื่เมาอยู่ด้ราลาพสกาละอันเกิดแต่ศรัทธาขององค์มกุตราชกุมารอยู่นั่นเอง พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ก็เสด็จมาประทับที่เวรุวันารามเพราะความมัวเมาในราพสการะและเพราะความทะเยอทยานมักใหญ่ไฟสูงเกินฐานะพระเทวทัตได้เกิดความคิดอันลามกขึ้นหมายถึงอะไรท่านอา ว, โวุโสนิมละพระเทวทัตคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้า บริหารภิกษุสงแผนองค์พระบรมศาสดาเสียเองพร้อมพร้อมกับความคิดอันรา ม, มกนั่นเองท่านก็เสื่อมจกักริกอันเป็นโลกิยะนั่นทันทีสแสดงปาฏิหาริ่ตไปอีกไม่ได้น่าสลดใจนะข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าพระเทวทัตจะชั่วช้าเลวสามถึงขนาดนั้นเมื่อท่านมาถึงเบลวันครั้งแรกก็ดูเป็นูหนักแน่นในธรรมวินัยดี เจาจึงได้มอบหมายให้ท่านบริหารพระอารามแต่ก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ท่านแสดงออกมาทําให้ภิกษุในอุบาสกบางคนเกิดความระแวงสงสัยที่พระเทวทัตแสดงออกมานั้นอะไรเลอกท่านพูเจริญท่านชอบพูดเสมอๆว่าพระพุทธเจ้าไม่สําคัญไม่ควรวนติดพระพุทธเจ้าให้ถือพระธรรมเป็นสําคัญแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรเลย เข้าใจว่าท่านพูดธรรมะในชั้นปรมัติ์ความจริงท่านมีแผนที่จะประกาศตนเป็นปรมศาสดาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วเล่าต่อไปเถอะอาวุโสนิมมาละพระเทวทัตได้แสแดนเกตจำนงอันชัวชาของตนออกมาในวันหนึ่งท่ามกลางความตกตะลึงพลิงเพลิดของพระราชาทิวดีพิมพิสาร พิกุโฉงและอุบาจกอุบาชิกาซึ่งกำลังนั่งฟังธรรมะดูในพระเวรุวรรณารามขณะที่พระบรมศาสดากำลังสงสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองพระเทวทัตได้ลุกขึ้นจากอาสนะยืนประคองอัญชลีกราบทูนพระบรมศาสตรดาโดยเสียงอันดัง เวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงท้าแก่เท่าแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทรงประกับธรรมะอยู่สมัยในชาตินี้มองฉันจะบริหารทุกสุส่งแทนพระองค์เองขอพระองค์ได้โปรดมอบทุกสุส่งให้มองชันบริหารเถิดดูก่อรทิวัตถ้าเธออยากจะบริโภคปัจจัยเสียของชาวบ้านดูบริโภคน้องลาย ก็จงไม่พอเธออย่าเข้ามายุ่งกับพิสุสงคันผู้เจริญเมื่อพระเถวทัต์ถูกยุค้านด้วยวาทะเช่นนั้นก็เกิดความอับอายเข้ามานักแล้วรีบหลบออกไปจากมหาตันิบาทหลังจากที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว พระพิสุกสง์และอุบาสกอุบาสิกาต่างหันหน้าเข้าปรึกษาหารือด้วยความหดตกเกรงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในสังคมมนทนเพราะพระเทวทัตเป็นต้นเหตุแต่ทุกคนก็ยังหวังอยู่ว่าพุทธานุภาคงจะช่วยพ่อนหนักให้เป็นเบาได้ข้าพเจ้าไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าพระเทวทัตผู้เป็นเทระผู้ใหญ่ และเป็นเชื้อพุทธวงศ์จะกล้าทําชั่วช้าลามกชนินั่ น, น, นะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นรพระเทวทัตยังประกอบกรรมชั่วยิ่งกว่านั้นอีกหลายอย่างพระเทวทัตทํายังไงอีกละ่ะท่านผู้อาวุโสหลังจากเกิดเหตุวันนั้นแล้วพระบรมศ า, าสดา ก, ก็ทรงรับการให้ภิกษุสงฆ์ประกาศทั่วไปในนครราชาคฤห์ว่าบัดนี้ พระเทวทัตมีกิจมุ่งร้ายต่อบรมศาสดาเธอได้ขาดสังกัดจากพระพิสุกสงแล้วพระเทวทัตว่ายังไงทันทีที่พระเทวทัตกราบข่าวนี้ก็กระโแข็งพระบรมศาสดามากขึ้นแล้วก็เริ่มวางแผนการชั่วร้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแผนการชั่วร้ายอะไรท่านผู้อาวโุโสหลอบหลงพระชชนพระบรมศาสดา รอบรงพระชนพรบรมศาสดาเป็นความจริงเหรอเนี่ยเป็นความจริงท่านผู้เจริญพระเทวทัตทำยังไงท่านได้เข้าเฝ้าอาชาสกุลราชกุมารในวันหนึง่ง คิดเชิญท่านบุญเจริญแนะนบสิ่งที่อาตมาจะพูดนั้นสมัยก่อนมนุษย์มีอายุยืนนานแต่บัด น, นี้มนุษย์มีอายุสั้นลงนั่นเป็นเพะอะไรละ่ะท่านบุญเจริญเกิดจากความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์า ông, อาที่วงศ์โคตรเ่อนตั้งแต่ยังเป็นพระอุาีก็ได้ก็แล้วแต่บุญละกันถ้าคิดอย่างนั้นพระองค์ก็จะพลาดโอกาสงามไปโอกาสงามอะไรท่านบุญเจริญ โอกาสงานที่จะได้ครองราชสมบัติเหนือมาโคตรับยังไงล่ะเพราะองค์ยัมีโอกาสนะถ้าทาตามที่อาตามาแนะนำไปก็ทํายังไงล่ะท่านผูเจริญปรงวัชชนพระชนิดาแล้วเป็นกษัตริย์พระเองส่วนอาตามาก็จะปรงวัชชนพระผู้มีพระาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าพร ะ, ะเอง เจ้าชายอาชาติศัตรูหลงเชื่อกระเทวทัตรงพระชนพระราชบิดาสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ครองมคตัดต่อมาหมายความว่าพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จสวรรคตแล้วอย่างนั้น่ะท่านผู้มีอายุถูกแล้วท่านผู้เจริญร่มโพทองของน ค, มครมคตัด ได้ถูกลงพระชน้วยวิธีการอันโหดร้ายทารุณที่สุดข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยนึกเคยฝันว่าบุตรในท้องจะกล้าทํากับบิดามาเกิดกล่าวของตนเช่นนั้นเฉพาะอย่างยิ่งกับบิดาผู้ประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงส่งอย่างพระเจ้าพิมพ์พิสารแต่เรื่องนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้าเห็นชัดว่า<ม>คนเหล่านั้น เมื่อมีจิตถูกความโลภความโกรธความหลงความครอบงมแล้วย่อมไม่มีเหตุผลไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีแม้กระทั่งบิดามารดาอาจจะกระทำการอันหยาบช้าทารุณต่างๆได้อย่างง่ายด้ข้าพเจ้าเพิ่งจะเห็นประจักษ์ชัดในคราวนี้เองเจ้าชายอาชาติศัตรูทรงตรงพระชนพระเจวิดาโดยวิธีใด กรุณาน่าให้ข้าพเจ้าฟังด้วยข้าพเจ้าจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวท่านปู่เจริญเมื่อได้รับการยุยงส่งเสริมจากพระเทวทัพแล้วในตอนเที่ยงวันนั้นเจ้าชายอาชาสัตรกูก็ได้ถือพระแสงฤกษเข้าไปในพระราชมรเทีย์ตั้งใจจะปรงพระชนพระราชบิดาแต่ยังไม่ถึงขราวเคราะของพระราชาธิดี พวกอมัดได้จับพระราชกุ ม, มารไว้ซะก่อนเมื่อจักใจได้ความแล้วก็ น, นำเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาลูกเอ๋ยเจ้าจะฆ่าพ่อเพื่อประโยชน์อะไรมงฉันต้องการราชสมบัติ ลูกต้องการมันมากนะักเหรอถึงกับจะฆ่าพอ่อหม่อมฉันต้องการมากความจริงลูกก็ต้องได้อยู่แล้วเมื่อพ่อตายสมบัติก็ต้องตกเป็นของลูกแต่หม่อมฉันอาจจะตายก่อนก็ได้โดยที่ไม่ได้สมบัตินั้นหม่อมฉันต้องการได้สมบัติเดี๋ยวนี้เอาเถอะแล้วพอจะจัดการให สมบัติจะเป็นของลูก